เมื่อวานยมตายมตาก็มีคำถามเหมือนกันนะที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องที่บอกว่าการที่เรามาม า, มาใช้ห้องคลับเฮาส์เนี่ยที่หลวงพ่อยกตัวอย่างว่า เ, เมื่อเราลืมตัวเราก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปอยู่ในโทรศัพท์เราไปอยู่ในห้องห้องคลับเฮาส์แต่ถ้าเรารู้ตัวก็จะรู้ว่าเราเนี่ยอยู่นอกนอกโทรศัพท์อ่ แล้วโยมตาก็ถามว่าไอ้คำว่ารู้เรากับเรารู้เนี่ยไอ้เคลสนี้อันไหนที่เรียกว่ารู้เราหลวงพ่อก็บอกว่าถ้ารู้เราคือต้องรู้ว่าไอ้เราเนี่ยอยู่นอกโทรศัพท์อย่างนี้ก็เรียกว่ารู้เราแต่ถ้าไม่รู้เรานะแต่เป็นเรารู้เนี่ยหมายความว่ า, ม, วามีแต่เราเนี่ยไปอยู่ในโทรศัพท์แต่เราลืมตัวไปตรงนี้ก็โยมก็เข้าใจ ทีนี้พวกเราก็ฝึกบ่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราเรานั่งคุยบางทีมันก็ลืมตัวเนาะมันอินอะ่ะเขาเรียกว่ามันอินเข้าไปแต่พอนึกได้ปับ๊บอ่ามันก็รู้สึกตัวคือนึกขึ้นได้ว่าอ๋อนี่ตัวเนี่ยกําลังทําอะไรกําลังอะไรเนี่ยมันจะเห็นชัดพอเห็นชัดครั้งนึงอย่างน้อยก็เข้าใจว่าอ๋อรู้ตัวเนี่ยคือรู้แบบเนี้ยมันมี ม, นมีใจเป็นผู้รู้เนาะหรือว่าสติใจที่มีสติเป็นผู้รู้ แต่ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ฝึกรู้ตัวบ่อยๆพอเราไปดูอะไรมันก็จะเห็นตัวเราเราไปเห็นอะไรมันก็เห็นตัวเราอย่างเงี้ยเหมือนโยมยายบอกว่าโอ้พอรู้ตัวเป็นนี่โอ้มันเห็นเราไปหมดเลยแล้วเบาไม่หนักเหมือนก่อนเนาะมันเห็นเราไปหมดเลยอย่างเงี้ยทีนี้ลองตอนนี้เดี๋ยวนี้เนาะปัจจุบันเนี่ยกลับมาเห็นตัวเองเห็นตัวเองรู้ตัวเอง แล้วก็ให้เข้าใจเลยว่าตัวเองทั้งตัวเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่มีอยู่จริงมันมีแล้วหมดถึงแม้ว่าตอนเนี้ยดูเหมือนกับยังมีอยู่ยังไม่หมดแต่ยังไงก็ต้องหมดแล้วก็การพ้นทุกเนี่ยก็คือพ้นปัจจุบันเนี่ยที่เห็นตัวเองแล้วสิ้นยึดนะเห็นตัวเองอยู่แต่ก็ไม่มีผู้ยึดให้เห็นอยู่อย่างเนี้ยเห็นตัวเองอยู่แล้วก็ใครอยาจะยึดเพราะเลยจากตัวเองเป็นความไม่มีนี่อแต่ตัวเองอ่ะเป็นตัวตายใช่ไหม เมื่อตัวเองเป็นตัวตายตัวเนี้เป็นตัวมีแล้วหมดพ้นไปจากตัวก็เป็นความไม่มีความไม่มีนั่นแหละเป็นความไม่หมดแต่มันเป็นความไม่ปรากฏเนี่ยมันก็มีสองสิ่งแค่นี้แล้วทุกวันเนี่ยพยายามจะเอาตัวเองไปหาไปหาอะไรก็ไม่รู้นะวุ่นไปหมดเลยไปหาที่จะไปหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าไปหาอะไร เลยขอบอกว่าไม่ต้องหาอะไรหรอกเห็นตัวเองในปัจจุบันตอนนี้แค่นี้ก็คือจบแล้วเนี่ยมันมันมันชัดๆที่สุดแล้วหาเนี่ยมันเหนื่อยเอาตัวเองไปหาเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยไปคุดไปคนไปนู่นเดินทางกันแต่ไม่รู้ไปหาเลยข้างหน้าหยุดหาเนี่ยแล้วก็วางไอ้ตัวที่เรียกว่าไอ้ตัวเองในตัวเราเนี่ยเห็นอยู่รู้อยู่แต่ก็ไม่มีผู้ยึด เป็นความหลุดพ้นหลุดพ้นมันก็ไม่มีอะไรหลุดพ้นหรอกมันเป็นแค่เห็นว่าไอ้ตัวเองเนี่ยยึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่มีผู้ยึดมันก็พ้นแล้วปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้มันรัดรัดสั้นสั้นมันยากปักคอกแต่มองไม่เห็นเนาะ้นผมบังผูเก่ามันบังที่มันต้องพูดอย่างนี้แหละเมื่อก่อนไม่รู้อย่างนี้นี่มันมันมันรู้เพียงว่ามันรู้ผิดนะรู้เพียงว่าตัวเราเนี่ยจะต้องไปค้นหา ต้องไปเดินจงกรมต้องไปนั่งยกมือต้องไปนั่งทำสมาธิแต่นั้นน่ะมันเป็นเรื่องของตัวเองไปทำแล้วตัวเองไปทำแล้วมันเป็นตัวเองมันเป็นตัวที่ตายเนาะเมื่อมันได้สมาธิแล้วมันมันก็ตายไปพร้อมกับสมาธินั่นแหละตกลงมันตัวเองก็ไม่ได้อะไรเพราะตัวเองก็ตายสมาธิที่มีก็หมดแต่ถ้ารู้ปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าไอ้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวตายเป็นตัวตายไม่มีใครยึดมันก็จบเลยเนี่ย จบเลยไม่น่าเชื่อว่ามันจบแบบนี้ไม่น่าเชื่อแต่มันต้องเชื่อตีเพราะว่ามันสัมผัสได้นี่ว่าโอ้แค่นี้ล้วก็คือมันก็ไม่เห็นต้องต้องไปทำอะไรนักมาสการ์ครับเราก็จะพูดอะไรครับนองผมเอาจุดผิดพลาดนะแล้วก็แล้วต่อมามันมันไม่มันรู้ว่ามันผิดแล้วก็ถูกเป็นยังไงแล้วก็เออเนี่ยเทียบกันความแตกต่างจุดจุดผิดพลาดก็ เมื่อก่อนผมก็ภาวนานะครับเอาตัวผมไปภาวนาหมดเลยครับเราบางครั้งการภาวนาอะไรก็ตามแต่นอนมีภาพนิมิตหรือมีอะไรที่มันปรากฏขึ้นก็หลงหลงเข้าไปดูหลงเป็นไปนหมดเลยเรามันมันก็ไม่ได้ผลถูกครับไม่ได้แก้ถูกแล้ยิ่งทุกข์หนักยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยก็ก็สุดท้ายก็ ก็ไม่รู้จะทำไงก็ก็ได้ฟังทำจากหลวงพ่อนะครับโทรคุยด้วยหลวงพ่อท่านก็ชี้ให้ครับอท่านก็ชี้บอก ท, ที่นั่งอยู่เนี่ยในห้องทั้งหมดเนี่ยเห็นอะไรบ้างเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แล้วท่านก็ถามว่าเอา้าแล้วเห็นเราไหมเราเห็นเราเหรอหลพอท่านชี้อย่างนั้นปุ๊บอเห็นแล้ว เราก็กลายเป็นสิ่งถูกรู้มันก็กลายเป็นรู้ตัวเรารู้เราแทนนะครับแล้วคือพอชี้อย่างนี้ปุ๊บใจผิดหลายอย่างที่มันเคยปวดตังอยู่ก็คลายอ้อครับมันก็เริ่มเข้าใจเนี่ยสิจางขึ้นครับอันนี้แหละครับมันเป็นความรู้นะเก่าเป็นอย่างหนึ่งสิ่งใหม่เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็เห็น ชัดเจนอชัดเจนหลวงพ่อก็นี่แหละเข้าใจแบบนี้แหละเข้าใจอย่างที่ที่ยก็คือเมื่อก่อนเข้าใจผิดเหมือนเหมือนกันหมดเลยตอนที่เข้าใจผิดเนี่ยมันเข้าใจแบบแบบมันมีตัวเราเนาะมีแต่ตัวเรามีแต่ตัวเราแต่มันไม่เห็นตัวเราที่ถูกต้องแท้จริงสักทีหนึ่งแต่พอเข้าใจถูกเนี่ยมันรู้จักชัดเจนเลยว่าการรู้ตัวเราคือคือรู้แบบนี้รู้รู้ตัวเราคือรู้แบบนี้ก็เลย เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าการรู้แบบนี้เนี่ยมันพ้นทุกได้จริงเพราะตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไงก็คือตัวทุกใช่ไหมทุกเป็นสิ่งถูกรู้แต่ผู้รู้ไม่ปรากฏตัวผู้รู้ก็ทุกไม่ได้ผู้รู้เนี่ยมันไม่เป็นผู้รู้คือมันเป็นรู้เฉยๆมันเป็นรู้แต่ไม่มีตัวผู้รู้แล้วมันจะทุกได้ยังไงพอเป็นอย่างนี้มันโอมันชัดเจนอชัดเจนชัดเจน ที่วิตยที่เหลือเนี่ยก็รู้อยู่อย่างไงรู้ไปบนทุกไปไม่มีใครทุกอของโยมเอกเนาะเออหลวงพ่อต่อกับเมื่อวานนิดหนึ่งเมื่อวานก็คุยกับโยมเอ๊กเยออยู่พอดีหลวงพ่อเล่าถึงเรื่องว่าหลวงพ่อไปกราบอาจารย์เนาะอาจารย์ก็ถามว่าท่านออดปฏิบัติแบบไหนมาหลวงพ่อเขาบอกว่าก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนแหละอาจารย์ก็ชีนะ้หน้าหลวงพ่อบอก ตรงนี้เลยตรงนี้เลยหมายถึงว่าตรงที่พูดเมื่อกี้แหละตรงนี้เลยตรงนี้เลยทีนี้ตรงนั้นมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเมื่อกี้เนี่ยตอบแบบอัตตาคือตัวเร า, ต, เราเตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนตอนที่ตอบมันเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะแต่ไม่รู้ไงพอหลวงตาชี้พอช outra, ชพอพอาจารย์ชี้ปั๊บโอ้รู้เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยมันตอบแบบอัตตาแบบตัวตนมีตัวตนเป็นผู้ปฏิบัติทีนี้พอมันตื่นรู้อย่างนี้ปั๊บมันก็จะพลิกขึ้นว่า โอ้มันตัวมันมันเป็นแค่สังขารเป็นแค่สิ่งปุงเป็นแค่สังขารที่เป็นปฏิบตัติมันไม่ใช่เราปฏิบตัติความเป็นอัตต ก, ก็ดับพลุบไปเลยหายไปเลยในตอนนั้นเลยอื ใ, ในตอนหลังก็ไปบอกหลวงไปบอกอีกว่าเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วครับถูกใช่เ <c oughs> อกบอกตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้โหตรงนี้ก็พลิกอีกแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีอัตตาคือมีก็ พ อ, อถูกชี้ปั๊บมันก็พลิกเปลี่ยนเป็นว่าอ๋อผูเข้าใจนั่นก็เป็นสังขารมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่หยาดตาความเป็นตัวตนก็ดับรุ่มไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็โอเคเมื่อชี้สภาวะแล้วมันทันแล้วรู้แล้วก็เลยก็คุยแบบโลกแล้ตรอง น, นี้ก็คุยแบบโลกโลกแล้วไม่ต้องมาดักคอไม่ต้องอะไรแล้วเพราะถือว่า อ, อ๋อทันกันแล้วทีนี้ที่โยมโยมเอ็กถามหลวงพ่อว่าเอาถ้าเกิดมีคนอื่นมาถามแล้วจะตอบอยังไงก็ต้องตอบไปตามที่ที่ควรตอบก่อน มันไปก็ต้องตอบไปตามที่ตอบแต่เกิดถ้าครูบาอาจารย์ท่านอยากจะต่อยอดในทางปัญญาท่านก็บอกเองไะว่าเออที่เราพูดแบบนี้ที่เราทําอย่างนี้มันเป็นยังไงยังไงก็ก็โอเคก็ว่ากันไปแต่ถ้าอาจารย์ไม่ว่าอะไรตอบอย่างนี้ไม่ว่าอะไรแสดงว่าเออเขาก็คงคุยแบบโลกโลกกัน เ, เราก็คุยกันแบบโลกโลกเพราะนั่นจุด ต, ตรงนี้ต้องเป็นจุดสังเกตว่าที่อาจารย์เขาชี้หรือว่าดักคอเราเนี่ยตรงนี้ยแสดงว่าต้องมีอะไรดี มันต้องมีอะไรดีแหละเพราะว่าระดับอาจารย์มัต้องการให้สิทธิ์แบบเ อ, อต่อยอดในทางปัญญาเนาะอืเพราะฉะนั้นก็ให้ต่อไปเหมือนหลวงพ่อเนี่ยที่คุยในห้องเนี้ยก็คุยบางทีก็บางช่วงก็คุยเป็นปกติเนาะคุยแบบโลกโลกเนาะแต่บางครัง้งบางคราวนี่หลวงพ่อเห็นว่าเฮ้ยมันถึงจุดแล้วในตรงเนี้ยต้องชี้เปี้ยงกันไปเลยเงี้ยเ อ, อก็บางคนเข้าใจขึ้นมาแต่บางคนก็ก็ยังงงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น ที่ถามว่าจะตอบอยังไงก็ตอบไปเถอะโยมตอบอยังไงก็ได้แล้วก็ค่อยดูว่าอาจารย์เขาจะว่ายัางไงแล้วก็ค่อยคอย่คอยพลิกเปลี่ยนสถานการณ์กันไปเนี่ยจริงๆอ่ะทุกคำพูดเนี่ยถ้าจะชี้เนี่ยมันมันเป็นอัตตาหมดแหละพอพูดออกไม่กระทั่งตัวหลวงพ่อพูดเนี่ยเหมือนเรื่องเรื่องเล่าเนาะที่หลวงพ่อเล่าอะไรอ่ะนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีเราไปรู้หมดแล้วเอามาเล่าเนี่ยนี่ถ้าถ้ามองเป็นธรรมะเนี่ยเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าคที่พูดเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันนะมันเป็นอัตตาไปแล้วแต่ถ้ารู้ทนันมันก็คือรู้ว่ามันก็เป็นสังขารปรุงแต่งการพูดก็เป็นสังขารการคิดก็เป็นสังขารการกระทำก็เป็นสังขารแต่ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมันมันไม่เป็นสังขานี่มันเป็นเราเป็นเราแบบไม่รู้ตัวว่ามันเป็นเราไปแล้วเออมันเป็นเราแต่ไม่รู้สึกตัวว่ามันเป็นเราไปแล้วนะก็เหมือนกับ มือนกับคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะนั่นแหละมันมีแต่เป็นเราอย่างเดียวเพราะว่ารู้สึกตัวไม่เป็นไม่รู้จักว่าจริงๆที่พูดไปที่ทําที่คิดมันเป็นสังขารเกิดดับพอไม่รู้จักว่ามันเป็นสังขารที่เกิดดับเนาะมันก็ยึดความเป็นตัวตน <c oughs> ก็เลยเป็นตัวตน <c oughs> เป็นอัตตาใหญ่เลยแล้วก็ทะเลาะบบาแหวงกันคือกูกูกูอีกฝ่ายก็กูอีกฝ่ายก็กูตกลงกูกับกู <c oughs> มันก็เป็นสังขารทั้งคู่แหละแต่ว่ามันไม่รู้กันไงก็เลยยอมกันไม่ได้ เอาเหตุผลเอาความรู้ต่างๆที่มีมาที่กูรู้กูรู้เอามางัดมาอ้างกันว่ากูรู้อย่างนี้มึงรู้อย่างนั้นมึงรู้ไม่ถูกกูรู้กูรู้ถูกเอากูกูกูจริ ง, รงๆอะถ้าโดยปารามัตตาธรรมมันก็คือเป็นโทษเป็นภัยทั้งคู่อ่เลยค่ะพล้วเราไม่ใช่เรานะคะแล้วก็ไม่มีใครเป็นจริงเช่นกันนะคะนี่คือเป็นความจริงสูงสุดของธรรมชาติที่มีต่อเราทุกคนเสมอ นะคะไม่ว่าเราจะรู้ความจริงนี้หรือไม่เนี่ยเราก็ยังคงได้รับความอิสระจากธรรมชาติเสมอเช่นกันแล้วเราก็ยังคงเป็นความรุดพ้นที่จริงแท้ใหม่สดเสมอเช่นกันหากว่าเราเห็นออมองเห็นกฎธรรมชาติทั้งหมดนะคะก็จะสามารถสาวเรื่องราวจากพื้นที่ชีวิตมนุษย์ไปจนถึงรักเง่าของกฎธรรมชาติได้เลยนะคะเราก็จะไม่เข้าใจผิดไม่เห็นผิดแล้วก็ไม่โทษอะไรอีกนะคะเราจะเข้าใจอย่าง แจมแจ้งตลอดสายนะคะไม่กล่าวหาว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างมาผิดทําให้เราอย่างโน้อนอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเราจะไม่กล่าวหาว่าเนี่ยเข้าข้างคนผิดว่าไม่ยุติธรรมเลยอะไรเงี้ยเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยพอไม่ได้ดั่งใจหรืออะไรก็ตามค่ะก็จะโทษไม่ว่าจะโทษอะไรก็ตามโทษอย่างอื่นหมดเลยนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราจะไม่เป็นแบบนั้นน ะ, ะเพราะว่าในกฎธรรมชาติสูงสุดเนี่ย เราทุกค น, นได้สิทธิ์แห่งความหลุดพ้นตลอดเวลา เ, าเท่าเทียมกันนะคะเป็นแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่แจ่มแจ้งในความจริงก็เลยชีวิตก็เลยยังวนเวียนในภพชาติความทุกข์อย่างผู้ที่ไม่รู้ความจริงที่จะเป็นกันนะคะแต่ถ้าตื่นรู้ก็จบใหนเองนะคะก็จะแจ่มแจ้งในความจริงนี้ก็จบการเดินทางเสมอกันไม่ไม่เว้นเลยคะ่ะผู้ใดเป็นได้ทุกคนนะคะเพราะว่าไม่เคยมีเราจริงๆในที่นี้หรือว่าที่ไหนไหนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทํา คำพูดคิดนึกอะไรก็ตามแต่ก็ปราศจากเรามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครเมื่อเราไม่ตกอยู่ในมายาของตัวเองนะคะว่าเห็นคิดมัว่วอะไรรู้ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเราเข้าใจเราก็จะอิสระจากมายาทั้งหมดเลยอิสระเพราะว่าเข้าใจอันเกิดจากปัญญาเนี่ยค่ะนะคะว่านะว่าเป็นความจริงแท้จริงเดียวที่ไม่แปรเปลี่ยนก็แค่ให้เราทุกคนได้รู้จักสภาวะแห่งความจริงตรงเนี้ยนะคะ ตื่นรู้กับปัจจุบันเลยนะคะก็จะได้รับอิสระจากการีชวิตที่แท้จริงว่าเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าของชีวิตนะไม่ต้องตกเป็นทาสของชีวิตไม่ต้องตกเป็นทาสของความเป็นตัวเรานะของเราหรือว่าของใครนะคะแล้วก็ได้รับอิสระที่หลุดพ้นได้ตื่นรู้นะคะดำรงความจริงแท้ที่ไม่ต้องมีตัวเราเป็นเราเหลือหลงเหลือเจือป้นอีกแล้วนะคะก็จะอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งการเกิดตายนะคะอิสระจากออทุกๆปัญหาอิสระจากคือหลุดหลุดพ้นไปด้วยปัญญาของเราเองที่เปิดเผยความจริงะคะ่ะเราก็คือได้เหมือนกับปอกเปลือกชีวิตของเราค่อยๆปอกเนี่ยค่ะทุกวันนี้เรามีกับพี้เต็มไปหมดค่อยๆลอกค่ะจนพบแก่นธรรมะอิสระจากภายในบางคนบอกว่าเราพบแก่นมาแล้วแต่จริงๆเนี่ยแก่นที่แท้นะคะ ต้องบอกว่าแก่นที่แท้ด้วยไม่ใช่แก่นอย่างเดียวที่แท้มันก็คือไม่มีอะไรเหมือนกันมุกคำบอกว่าอา้าแล้วเร า, เ, ร า, เ, ราเข้าใจเราดูแล้วแล้วยังไงนะคะเขาหนุ่หนุยก็เคยเปรียบเทียบนะคะเคยเล่าให้คุณแม่ฟังต้องบอกอ้างอิงคุณแม่บ่อยมากเลยนะคะถ้าคุณแม่เข้ามาฟังก็จะจ ะ, จะปื้มมากเลยนะคะคุณแม่อาจจะเทคนโนโลยีอย า, ากจะยังไม่ขนาดดาวน์โหลดไปให้แล้วนะคะก <g> <c oughs> ็บอกเปรียบบอกคุณแม่ว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไผ่สังเกตไหมคะต้นไผ่เนี่ย มันจะผุดหน่อขึ้นมาเยอะมากหรือว่าบางทีก็ไปก็เยอะมากร่วงทุกวันพุกนี้มันก็เปรียบเสมือนกับสิ่งแวดล้อมที่เราเรามีหน่อที่ผุดขึ้นมามันก็เหมือนกับความรู้สึกชอบเบียดหลงโลภหรืออะไรก็ตามหรือปัญหาที่เข้ามาเอาปัญหาที่เข้ามาจะเปรียบเหมือนกับลมที่พัดหรืออะไรก็ตามสังเกตค่ะไผ่มันไม่เคยจะแบบฉัน ต, ต้องต้านลมหรืออะไรอย่างเงี้ยสังเกตมันก็ ไปตามลมโอนเอ็งไปตามเมื่อเราเอาไผ่มาลองเออเขาเรียกค่ะทุบดูนะคะหรือว่าเฉาะดูนะคะตัดดูก็จะมองรู้เลยว่าอ๋อในไผ่มันก็ไม่มีอะไรละมันก็เป็นแบบนั้นแต่เราก็อยู่กับมันได้สังเกตไหมคะมันก็ไม่ได้ตายมันก็ล้อลมไปอย่างนี้นคะ่ะลมจะพัดไปทางไหนก็ไปก็ไม่ได้ไปฝืนอะไรมันนเป็นธรรมชาติแบบนั้นนะคะ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวจะเอาคือที่หลวงพ่อพูดถึงนะเรื่องกลับมารู้ตัวเองเนาะมันเป็นเรื่องที่ <Okay. S 2> ทำให้อ่าดับทุกได้พ้นทุกได้แล้วก็ดับความเป็นมายาได้ที่มันมีเรื่องที่เราเคยพูดถึงเรื่องเรื่องธงกับลม <Okay. S 2> ลก็เคยพูดกันแล้วแหละในรายการขับเฮาเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็มีคนใหม่เข้ามา <Okay. S 2> ก็มีเอ่อก็คนสองคนน่แหละเขาเถียงกันว่าไอ้ที่ลมมันไอวไอ้ธงมันพัดไววเฮ้ยมันปิวมันสะบัดอะ ก็มาเถียงกันว่าธงมันไหวหรือลมมันพัดเถียงกันใเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกกันยังไม่รู้ตัวเอาตัวไปรู้ก็เถียงกันกูถูกมึงกูถูกคือของกูกูถูกหมดเลยเหตุผลนะแต่ของมึงไม่ถูกอ่ะก็เลยเถียงกันสุดท้ายว่าล่างก็มาตัดสินว่าเนี่ยคนน่ะที่ทําอย่างงั้นอ่ะมันไม่มันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนี่กลับมารู้ใจของตัวเองอนะที่มันไหวหรือไม่ไหวหรือธงหรือลมเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจ เห็นไมตรงนี้ชี้ใเห็นว่าการที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันต้องกลับมารู้ที่ตัวเห็นความคิดเห็นความรู้สึกนะแล้วมันก็จะเข้าใจได้เดี๋ยวหลวงพ่อจะเปิดไอ้ตรงนี้นะลองดูว่ามันมันจะพอที่จะเอรับฟังได้ไหมอ่ะนะบางทีหลวงพ่อเล่าก็ไม่เก่งแต่ว่าถ้าฟังจากจากหนังที่เป็นภาพยนตร์จริงๆเนี่ยตัดมอไหมคะหลวงพ่อเอ่ อ, ไ, อ, อไว้ลางอา๋อไว้หลางค่ะเอเดี๋ยวนะั้นหลวงพ่อจะให้คน มีผู้ช่วยอยู่มีผู้ช่วย ทมไหวเองถ้าลมไม่มีทันจะไหวยังไงลมพิษไหลจะเห็นได้ยังไงเถียนมันเป็นทอ่ะลมไหวได้เพราะมีลมนะไม่มีลมทูจะไหวยังไงแห็นอยู่แล้วทองไหวเองอย่ามาเถียงอีกพวกไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวท่านทดสอบยได้เถียงกันเลยนะไม่ใช่พระลมหรแล้วก็ไม่ใช่พระทองด้วยจิตใจทั้งสองไหวตั้งหากล่ะผู้ใดดีมีเหตุผล ก็แล้วคำตีทานกูดรู้หนาคกดจริงที่เราพ่อคุยกันทุกวันนี่คือกล้าเราหลับมารู้ใจข้าเน่ยสงบใจรู้ใจนะคือไม่เห็นถอดแท้ที่เราพูดทั้งทุกอย่างทมดออกมาจาก็เกิดจากใจจนสิ้นนะคือค้ามคิดนี่ที่มันอยู่ในใจนี่แหละวหลวงแต่งอาจารย์ของยันทรงคนมาที่นี่เป็นตัวเจ้าเองใช่แล้วข้าเองที่ได้รับภาพพระไตรปิฎกจากท่านอาจารย์วัะนั้นเนี่ยรู้สึกตัวแล้วก็เห็นว่า โดยเฉพาะเรื่องความคิดอ่ะมันเป็นความปรุงแต่งแล้วปรุงแล้วมันก็ดับไปหมดไปนะมันไม่มีอะไรหรอกมันเกิดมาครั้งหนึง่งมันก็ดับเกิดมาครั้งหนึง่งก็ดับไม่มีเหลือจริงๆไม่เป็นสาระอะไรเลยต่อให้มันปรุงแต่งในเรื่องเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งหมดอะ่ะมันก็ก็คือความปรุงแต่งก็มีความดับไปทีนี้เนี่ยถ้าเอาใจมารู้เนี่ยใจซึ่งเป็นความให้ปรุงแต่งเนี่ยมารู้ความปรุงแต่งแล้วใจก็ได้เห็นแต่ความเกิดดับ ใจนี่แหละจึงเป็นความบริสุทธิ์พ้นไปจากความปรุงแต่งได้นะใจก็คื อ, อก็คือเกิดจากสตินั่นแหละเนาะสติปัญญาก็ไปเห็นความปรุงแต่งแล้วก็เห็นมันเกิดดับมันเกิดดับมันไม่มีอะไรจริงๆมันมีแต่ของเกิดดับมีแล้วหมดไปมีแล้วหมดไปเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้โยมไม่ต้องไปดิ้นรนสแสวงหาอะไรเลยให้เข้าใจเรื่องแต่สิ่งเกิดดับนี่แหละมันก็จบแล้ว มีแต่เกิดดับโดยเฉพาะเนาะสิ่งที่เกิดดับในในจิตในใจอะนะตรงนี้สําคัญทุกคิดนะทุกพูดเนี่ยมันออกมาจากใจหมดเลยรวมถึงทุกการกระทาด้วยก็ออกมาจากใจนะเพราะนั้นในสิ่งที่เคลื่อนไหวได้สิ่งที่กระดุกกระดิกได้นี่ น, ะนั่นแหละเป็นจุดกำเนิดที่จะให้มีการปรุงแต่งแต่ไอตัวที่ไม่ปรงแต่งแท้ๆเลยก็คือใจนั่นเอง เมื่อกี้โยมนุ่ยนุ้ยได้พูดถึงเรื่องไม้ไผ่นะลำไม้ไผ่อะไม้ไผ่มันก็มีกิ่งก้านสาขาเนาะอุปมาเหมือนความปรุงแต่งนะแล้วก็เราสูงว่าเราจะตัดกิ่งไปตัดกิ่งตัดก้านไปเรื่อยๆเนาะอืจนกระทั่งไอ้พวกนั้นก็หมดแล้วก็ตอนนี้เหลือแต่ลำไม้ไผ่ละลำไม้ไผ่ก็เป็นเปลือกพอไปถึงข้างในอ่ะตรงนั้นเน่ยมันไม่มีอะไรเลยมันกลวงมันกลวงมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ปรุงแต่งมันไม่เจริญเติบโตมันไม่ คือมันเป็นสภาพที่ไม่ปรุงแต่งพอลึกออกนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วความไม่มีอะไรเนี่ยจริงๆนีความไม่มีในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยกับความไม่มีอะไรที่อยู่นอกไม้ไผ่ก็คือสิ่งเดียวกันแต่ตัวที่มันกั้นระหว่างความไม่มีอะไรในบอกกระบอกไม้ไผ่กับภายนอกเนี่ยก็คือไอความปรุงแต่งนี่แหละความความยึดถือความเป็นตัวตนเนี่ยมันไปกั้นแต่ถ้าเข้าใจถูกแล้วไม่มีอะไรกั้นได้เลยมันเป็นถึงกันก็คือเป็นสิ่งเดียวกัน เพราะฉะนั้นที่เรียกว่าใจเนี่ยที่มันอยู่ในที่เรียกว่าใจนะถือว่าในในตัวเนี้ยมีใจอยู่ก็เหมือนเหมือนกับลําไม้ไผ่คือมันเป็นความไม่มีอะไรแล้วก็ข้างนอกนอกตัวเรามันก็มีความว่างเหมือนกันก็คือใจที่อยู่ภายนอกกับใจที่อยู่ภายในเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้น ใ, นใจเนี้จึงไม่มีขอบเขตหรอกมันกว้างใหญ่ไพศาลจะเรียกว่ากว้างก็ไม่ได้เพราะว่ากว้างนี่มันก็เป็นคําบอกชื่ออีกเนาะเอาเป็นว่า ธรรมชาติของใจคือเป็นความไม่ปรากฏอเมื่อมันไม่ปรากฏแสดงว่ามันต้องไม่มีขอบไม่มีเขตว่ามันกว้างเท่าไหร่มันเล็กเท่าไหร่มันยาวเท่าไหร่ก็บอกไม่ได้มันไม่ไ ม, ไมีไม่มีตรงนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นในใจมันจึงรู้ทุกอย่างเนาะรู้ในสิ่งที่อยู่ในใจรู้ ท, ที่รู้ที่กายรวมถึงรู้ครบหมดทุ่นในจั ก, กรวาลนั่นแหละแต่ใจก็ไม่ได้เป็นอะไร น, น, นี่ยมันก็พ้นทุกภาษาที่เราเรียกก็คือพ้นทุกตีใจก็คือนี่ใจนี้แหละที่มันเป็นความไม่ทุกไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเนี่ยอ น, าานอกว่าสมมุติทั้งทั้งหมดของโลกเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ไร้ความจริงเจือปนนะคะสมมติเนี่ยทําหน้าที่ของสมมติแต่ว่าหากคนเราหลงไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่ามันทําหน้าที่สมมุติให้คนหลงมัวเมาอย่างจมปลักอยู่แล้วมันก็ทําหน้าที่ของมันเนี่ยถูกแล้ว นะคะแต่คนที่อยู่ในฝ้าของความหลงเนี่ยจะต้องมีน้ำตานองหน้านะคะใช้ชีวิตยังไงก็ไม่มีความสุขนะคะภายนอกอาจจะเหมือนดูดีแต่ว่าก็แค่เปลือกที่ดูดีแต่ภายในชีวิตเนี่ยเหมือนอยู่ในกองทุกข์นะคะตายทั้งเป็นนะคะอยู่อย่างนั้นนั้นสมมติเนี่ยไม่มีความอิสระจากความไม่มีอิสระไม่มีความสุขสบายอย่างแท้จริงกับผู้ใดเลยแต่ว่าในส่วนของความจริงแท้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหนือสมมติทุกอย่างเช่นกัน นะคะในส่วนของความจริงแท้ก็ไร้สมมุติใดๆเจือปนด้วยเป็นพื้นที่ที่ปราศ จ, จากมายานั่นก็หมายความว่าเป็นที่ที่เรียกว่าหลุดพ้นหรือว่าเป็นที่ปราศ จ, จากทุกทั้งปวงเท่าถึงความอิสระอย่างที่สุดนะคะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าหาประมาณนี้ได้ไม่รู้จะบอกขอบเขตยังไงดีไกลมากซึ่งเป็นในพื้นที่ของความจริงที่ไร้ความหลงตั้งอยู่เนี่ย นะคะมันก็จะมีความสุขความเบิกบานเปิดเผยออกมาอย่างเต็มที่อิสระจากมายาได้เต็มร้อยนะคะหากนําพาชีวิตสู่ความจริงแท้นี้ได้ก็ไม่แปลกที่จะอิสระจากทุกรอเอร์เซ็จริ ง, รงๆนะคะอยไปเรียกว่าร้อยล้ค่ะมันก็ก็แค่นั้นนะคะแต่ว่าไม่หลงโลกก็มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงนในการใช้ชีวิตไดก้ก็ก็ดีมากแล้วค่ะนะคะแค่นั้นเองงแต่ว่าอย่าชะล่าใจอย่าพอใจกับชีวิตที่สมมุติ นะคะที่เต็มไปด้วยการเนี่ยหลับไหลแล้วก็มีแต่ทุกข์หล่อเลี้ยงต้องมองให้เห็นความจริงของฟากมายาให้ได้ก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยออกจากความทุกข์ได้สำเร็จจริ ง, รงๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก่อนหมดเวลาก่อนขมก็จะออกเนาะเมื่อวานก็พูดค้างอยู่เรื่องของที่นักม้อเนี่ยเนาะที่เป็นผู้มาเผยแผ่ธรรมะที่เมืองจีน แล้วก็ตอนหลังว่าจะกลับไปชมพูทวีปแล้วคือกลับไปที่บ้านไปถิ่นที่เกิดน่ะเนาะค่ะถิ่นเกิดทีนี้ท่านก็มาถามเหมือนคุยกับลูกศิษย์ว่าเออที่อาจารย์มาสอนเนี่ยมีใครมีความรู้อะไรบ้างเนาะค่ะเดีลองพูดให้ให้อาจารย์ตักมอฟังสิอ๋อนี่นี้มีไฟค่ะหลวงพ่อเขสนใจไหมคะเดี๋ยวนี้พอดีหลวงพ่อเจอแล้วก็เลยว่าจะเปิดให้ฟังว่าเขาสนทนากันยังไงเนาะ ทีนี้มันมีตอนพอแต่ละคนเนี่ยได้ได้พูดถึงความรู้ที่ได้พบได้เห็นมาเสร็จแล้วเนี่ยน ะ, ะสุดท้ายก็กคือหุยเคยเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้คนหนึ่งแต่ไม่พูดอะไรตั้งคำเลยได้แสดงถึงความเข้าใจแหละว่าเข้าใจยังไงแต่ไม่ออกมาเป็นภาษาพูดดักหมอกขาเลยเข้าใจว่านี่นะหุยเคยนี่แหละคือเป็นผู้ที่รู้ทำจริงค ซึ่งการมันเหมือนกับที่เราเคยพูดเรื่องใจเนี่ยเนาะใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นความรู้แต่เป็นความรู้ที่ไม่ปรุงแต่งแต่รู้ทุกอย่างแต่พูดไม่ได้รู้อะไรก็พูดไม่ได้ได้แต่รู้ส่วนไอ้ที่พูดได้ที่บอกได้อันนั้นนะที่หลวงพ่อเคยบอกว่ามันเป็นสังขารมันเป็นปรุงแต่งหรือจะเรียกว่ารู้ปลอมอ่ะอเพราะนั้นรู้จริงรู้จริงคือนิ่งเป็นใบนะส่วนรู้ปลอมเป็นของพูดได้มันไม่ใช่รู้จริงตรงนี้เดี๋ยวก็ ก็จะลองเปิดนะแต่ว่ามันไม่มีภาพไงทีนี้ถ้าเคยจะดูยมยมหนุ่ยหนุยอาจจะมีลิงก์เหลืออะไรก็ลองดูค่ะตรงลงเดี๋ยวจะให้ยมเปิดหรือให้หลวงพ่อเปิดอ๋อหลงหลงพ่อก็ได้ค่ะหลวงพ่อสะดวกเปิดดีกว่าค่ะน้อยไอ้ยมดวงตาเปิดเนะาะค่ะอ่าถ้งั้นเดี๋ยวเปิดใหม่เปิดใหม่แล้วดูที่ว่ามันจะตรงกับที่ยมหนุ่ยหนุยเตรียมมาหรือเปล่านะ้ะ น่าจะอันเดียวกันค่ะเพราะว่าหลวงพ่อเตรียมอันที่เป็นแค่ตัดตอนตอนนั้นที่เป็นหลังจากที่สิทธิ์แต่ละคนพูดแล้วก็จบแค่นั้นเองค่ะข้าใกล้จะกลับชมหูทวีปแล้วจงเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ข้าฟังหน่อยเถอะเชิญได้อักษรบรรยายถึงแก่นแท้แห่งธรรมแต่อย่ายึด ต, ติดกับอักษรแต่ก็ทิ้งอักษรไม่ได้ จึงจะนำมาให้ได้ถูกทางเจ้าได้แค่ผิวหนังของข้าตามที่ข้าเข้าใจหากเราได้เห็นดินแดนแห่งพุทธเมื่อเห็นแล้วก็ไม่ต้องการสิ่งใดอีกและไม่ต้องการเห็นอีกเจ้าเข้าใจมากขึ้นนิดหน่อยแต่ได้แค่เนื้อขาไปดินน้ำลมไฟล้วนว่างเปล่าตาเห็นหูฟังลินลิมรถ แม้สมัมผัสก็ไม่ใช่ของจริงที่ข้าได้เห็นไม่มีสิ่งใดดัดงเดนเจ้าได้เพียงกระดูกของข้าเท่านั้นแล้วเจ้าล่ะหุยเคยออย่างนี้ล่ะเจ้าได้ไขกระดูกของข้าไป ผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้ผู้อื่นทํโมบาร์กจีวองแก่เจ้าเป็นสัญญาสักการะเผยแผลพระธรรมคำสอนเจ้า ก, ก็คือพุทธศาสนานที่กายเซียนยุคที่สองหลังจากที่ฆ่าบายแล้วสองรอยปีถายทอดไปถึงยุคที่หก็ไม่ต้องถายทอดอีกท่ดตอนนั้น นิกลายเซนได้แพร่หลายไปทุกที่แล้วแต่คนที่รู้มีมากคนปฏิบัติมีน้อยคนเผยแผ่มีมากแต่คนเข้าใจมีน้อยฉะนั้นจงอย่าดูหมิ่นคนที่หลงง ม, มงายทุกคนเป็นคนดีได้ในพริบตาคำพีนี้เป็นคำพีสูงสุดของพุทธองค์ใช้สำหรับช่วยชาวโลกข้าขอหม้อให้แก่เจ้า เจ้าจงฟังให้ดีข้ามาดินแดนนี้เพื่อเอยแผ่หลักธรรมะกระจบนะตรงนี้ถ้าหลวงพ่อจะขยายนะเพื่อให้เป็นปัญญาก็คือว่าในบรรดาสิทธิ์สี่คนเนี่ยที่ได้มาแสดงความรู้ว่าเออรู้อะไรมาบ้างการที่แต่ละคนพูดเนี่ยเท่ากับว่ามีมีตัวเราเป็นผู้รู้ รู้ว่าอะไรก็คือรู้อย่างที่พูดเนาะอันนี้คือมันยังมีตัวตนผู้รู้อยู่แต่หุยเคอเนี่ยที่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้แสดงตัวตนเลยว่ารู้อะไรก็เลยตักมอก็เห็นว่าไอาสิทธิคนนี้เป็นสิทธทิแบบรู้แจ้งรู้จริงเนาะก็ให้สืบอทอดอเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะคนต่อไป ตรงนี้ก็เลยที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าอะไรก็ตามที่มีการรู้อะไรแล้วเอามาบอกเอามาเล่าเนี่ยมันไม่ใช่รู้จริงเพราะมันเป็นรู้ยังมีอัตตายังมีตัวตนแต่รู้จริงที่ไม่มีอัตตาเนี่ยมันพูดไม่ได้รู้อยู่นะพูดไม่ได้ก็เหมือนกับใจนั่นเองที่หลวงพ่อสมมุติธรรมชาติรู้ที่พูดไม่ได้น่ะสิ่งนั้นขอสมมุติว่าเรียกว่าใจนัน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยใจนั่นแหละคือธรรมชาติที่รู้จริง ใจไม่พูดอะไรสักคำไม่แสดงอาการไม่แสดงออกถึงความรู้นี่แล้วก็เรียกว่าใจแท้แท้หรือว่ารู้แท้แท้รู้นี้แหละเป็นรู้ที่เ็าเรียกว่าสะอาดสว่างสงบเนาะไม่มีกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีอะไรทั้งหมดเลยไม่มีอะไรทั้งหมดเลยมีแต่รูอ้อันนี้ถ้าตั้งชื่อใหม่สมมติใหม่บางทีเา ก, ก็เรียกว่าพุทธพุทธพุทธนี่เพราะนั้นพุทธองค์จริงก็คือ สิ่งนี้แหละนอกนั้นนะที่เดินได้แสดงทําได้ที่เราเห็นนะไอ้ น, นั้นเป็นขันห้าเป็นสังขารไม่ใช่พุทธะองค์จริงะฉงนั้นถ้าพวกเราเข้าใจถึงพุทธะองค์จริงก็คือนี่แหละคือมีแต่ความรู้แต่พูดอะไรไม่ได้ตักคำ นี่สรุปเลยนะคะเรื่อการสองแสวงหาพระเจ้าหรือพุท ธ, ธาภายนอกเนี่ยยังไม่จริงแท้นะคะเท่ากับการได้พบภายในชีวิตเราเองเนี่แหละค่ะสิ่งสูงสุดที่เราทุกคนตามหาเนี่ยไม่ได้มีอยู่ภายนอกแต่ว่าอยู่ในชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณอันลึกซึ้งของเราทุกคนนะคะเมื่อเราตระหนักรู้อย่างสูงสุดว่าเนี่ยเราจะไม่ห่างจากสภาวะหรือพุท ธ, ธในชีวิตเราอีกเลยนะคะเพราะว่าเป็นสภาวะที่ดีที่สุด ในการใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดของเราเองเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขอิสระในตัวเองนะคะที่สุด ข, ของการเกิดมาชีวิตก็แค่นี้ค่ะเป็นความจริงแท้แค่นี้เองนะเราอาจจะตามหาความจริงทั้งชีวิตที่เราก็คือความจริงนั้นตลอดอยู่แล้วนะเราเป็นสิ่งที่สูงสุดที่เราตามหาแล้วก็ปรารถนามาทั้งชีวิตนั้นชีวิตเราเนี่ยได้กามความลับนั้นเอาไว้จนกว่าวันหนึ่งที่เราตื่นรู้ในความจริงแท้เนี่ย การแสแวงหาทั้งหมดก็จะจบจบสิ้นการเดินทางของสังสารัตเช่นเดียวกันเมื่อตื่นแล้วก็จะไม่หลงชีวิตอีกนะคะแต่ว่าจะอยู่กับชีวิตด้วยความจริงสูงสุดแล้วก็ดารงอยู่ในเนี่ยสภาวะอันอย่างเนี้ยในตัวเองก็คือเป็นความธรรมดาเรียบง่ายแต่ว่าความทุกข์เนี่ยไม่เคยแปดเปื้อนนะคะไม่เคยเข้าถึงะคะ่ะอย่าว่าแปดเปื้อนเลยมันก็แปดเปื้อนแหละแต่ว่าไม่ได้เข้าไปไถึงจริงๆนะคะเมื่อเรารู้ชัดว่า ชีวิตของเราทุกคนก็คือชีวิตของพุทธไปด้วยเพียงเราใช้ชีวิตอย่างแค่นี้เองนะคะเราก็จะพบพุทธะที่เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดเวลา<ม>ก็จะได้พบสิ่งล้ําค่าสูงสุดในตนเองค่ะแล้วก็เต็มอิ่มจากภายในแล้วก็ดํารงอยู่ของชีวิตก็จะไปเปลีป่ยมเต็มเปียเป่ยมตามไปด้วยแล้วก็อย่านะลืมที่หลวงพ่อแนะนําลิงก์ตอนแรกเลยที่ชื่อเรื่องว่าเห็นโลกเป็นของว่างเนาะใน youtube ค่ะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะดูภาพเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเปิดที่มันเป็นเสียงเนาะแต่ว่าถ้าจะเปิดในในในลิงก์ที่โชว์อยู่ด้านบนอันนี้มันเป็นอยู่ใน Google d r i v e ก็ลองลองไปโหลดใช่ค่ะสามารถไปเปิดได้ในอ่าน่าจะเป็น Dropbox นะคะค่ะเข้าไปโหลดก่อน Dropbox แล้วก็มันก็จะเป็นไฟล์ MP4 ค่ะแล้วก็มีภาพนะคะก็สามารถจะดูได้เลยนะคะ ไทยนี้ก็หลวงพ่อก็อนุโมทนาทุกคนเนาะที่มีความสนใจในธรรมนะขอให้มีสติมีสมาธิปัญญาสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยกันทุกคันเธอิาาสาธุค่ะนามัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ